Mm-hmm. <sighs> ขป้นมาเองมา่ให้ดูกับธรรมชาติจริง พยามที่จะสร้างสันให้คงคลื่นอยากแตกอย่าแยกอย่ายกดีๆขงขว ม, มอะไรก็ไม่ถูกอกถูกใจตัวเองเอาคิว ต, ตัดสินเอานิสัยปัจจัยตัดสินเพื่อจะให้ได้ปรุง ผลของสังขารก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เลื่อนรอยมันจะชีวิตห้อยไว้บนยิ่งเมยแห้งแห้ง เท่าที่เราก็จัดจัดการกับชีวิตตนเองนั่นคือเราทำงานทานําการจัดการกับงานอย่าให้มันข้ามนะครับเร็จเสร็จสิ้นสิ่งไหนที่ไม่ใช่ปกติสิ่งไหนที่ไม่ใช่ แตี่เราจะสร้างต้นมา ขยันเฉยๆแต่ว่าไมรักษาเมาสมบัติปุอกศัษาหัวใจเศรษฐีอกือขยอ่ะก็รักษากานุญามิตรเป็นคนอุญาตมิตรกับตัวเองมีคนน เรียง ค, งคิดเป็นการคิดเป็นพูดเป็นทำเป็นในสิ่งที่ไม่เป็นเรื่องต่อมาต่มาในความคิดปรอมาในคำพูดป่ะมาในการกระทำธรรมชาติตก็เสื่อมลงัน ไม่มีกัลยาณมิตรไม่มีกันลยาณธรรมแลกคาบมาคาบคาบนี้มีเท่าไรก็ไปเลยครับนี้ก็เป็นกัลยาไม่มีกันลยาณมิตรกับตัวเองมีกัลยาณธรรมกับตัวเองกัลยาณมิตรภายนอกไม่มีเรากบเป็นกันลยาณมิตรกับตัวเองให้อุ่นใจ อยู่ที่ไหนอย่าว่าไงจะมาแท้งให้พบอุ่นใจนั่งฟิลมต้นไม้นั่งเจ้าอี้ในป่าก็อุณนใจเหมือนว่าโลกเนี่ยมีตัวเราคนเดียวเขอยู่ได้หรือว่าโลกเนี่ยเราคนเนี่ทุกอย่าง มีความอดทนมีความให้อคอมคามคการเสียสละมีสติสมัยชนะมีสิลงมีสมาธิมีปัญญามีมรรคมีผลนดใต้มมงไปหมดเลยทำยอดรักษาผู้ประพัติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว สุดตัวความรู้ส <żyć> ึกความระลึกด่าความปกติพาให้คิตใจเข้มแข็งคงทนทนจนไม่มีวันเกิดวันแกวันเก็บวันตายห่วงมันเกิดลองเลยสองสามวันเกิดปวดหนวดปวดนี้ความรู้สึกตัวความปวดความรู้สึกตัวด่ะความ่วงความรู้สึกตัวล่ะควานคิดผงซ่านควารู้สึกตัวล่ะมันมีอยู่ในทุกอย่างความรู้สึกตัว ไม่ใช่มันเลือกที่นะเราจึงสวดพระพุทธเจ้าจึงแสดงว่าอาการิโกอาการิโกไม่มีการไม่มีเวลาทำเนี่ยความรู้สึกตัวไม่มีการไม่มีชั่นวันนัไม่ใช่ลัทธิไม่ใช่เนื้อการไม่ใช่เพศไม่ใช่ไหวนะเป็นความรู้สึกตัวไม่มีการไม่มีเวลาสามารถรู้เอาไปรู้ในที่มันลงมันจะเด็กมันจะเด็กมันจะมีฝีมือ แต่มันลงเรารู้ได้จะเรียกเเหมือ น, นคนทางานที่เงียบเหมือนอะไรที่มันเก่งเข้าไปแก่เรียกหาคนเงียบเหมือนเข้าไปแก่แก้ได้เราเรียกว่าเก่งเขาก็เก่งแตง่ว่าเขาแก้ได้ถ้าคนที่ไม่เคยแก้ใช่ไหแล้วก็ไม่เก่งสักทีไมทน ร่มเร็วหรือมันขนาดที่มันห่อนแน่งคลองแพร์นะโราณธรเป็นบัณฑิตเพราะถูกตักเตือนไม่ใช่เป็นบัณฑิตเพราะธนุถนอต้องขนาดแล้วขนาดอีกเงกัเป็น หนามีไมีหยุดเราจะขี้โทษแล้วขี้โทษที่อีกไม่หยุดผู้ดใดนี้เก่นสางจึงจะทนอยู่ได้มันจะทนเวลาที่ถกว่าก่าวตัดเตือนในภายนอกในภายในเราก็พยายามเตือนหลอกแต่มันมักวมันจะตื่นเวลามันม มันออนแอมันจะตื่นขึ้น่าเวลามนอ่อนแอมันคิดผุ่งสารมันจะสงบขณะถึงมันผุ่งสารนั่นก็นี้แต่บทฝึกเรียนทั้งนั้นการเจริญสติได้บทเรียนไม่ใช่เราไปนั่งเราหูเรกตาบริกรรมเข้าไปหาใจบริกรรมเข้าไปอ่อนเข้าไปสงบเข้าไปเลยไม่มีบทเรียนเนอะ่ อ, อนเวลา การเจริญเสถียรแบบที่เราทำเนี่ยมันได้บทเรียนมันเทสทุกอย่างผ่านทุกอย่างผ่าร้อนผ่านหนาวทุกอย่างนะผ่านร้อนมันก็ได้อบมันก็ได้คุณภาพผ่านหนาวก็ได้อบได้คุณภาพเหมือนเหมือนแร่ที่มันจะเป็นทองคําได้มันต้อง มีดผ่ า, อาอนอกผ่านนอดมามันจึงมีคุณภาพเข้มแ ข, แข็งแข็งแกร่งไม่ใช่อะไรที่มันหลอ่ออ่อนออนลูบลูบคำค ไ, ไม่ใช่การเจริญสติไม่ใช่การรูปคำไม่ใช่การรูปคำไม่ใช่ถนุถนอมผจญเผชิญกับทุกอย่าง ทุกสิ่งทุกอย่างไปเชิญกับทุกสิ่งทุกอย่าง สติเนี่ยมันเปิดเผยไม่ได้ปิดบังตัวเองเลยเปิดอะไรจะมาก็มามันเราลืมตาจะเห็นอะไรก็เห็นไม่ใช่หลับตากลบหลีดมันจึงเอาชีวิตรอดได้พราะลมีตามันมองอะไรเห็น <c oughs> คนมีสติก็เหมือนมีตาหนห่อยเแต่ท่าน ความคิดเห็นกระทั่งคิดเล็ไม่เคยเห็นความคิดตัวเองก็เกิดเห็นความคิดตัวเองไม่เคยเห็นสิ่งที่ทําให้เศ้าหมองก็ เ, เห็นสิ่งที่ทําให้สอหมองพราสติมันอไม่ไ ม, ไม่ไม่เหลียดไม่ปิดบงังสติเป็นสิ่งที่ไม่ปิดบังอาาําพรเป็นสิ่งที่เปิดตัวให้ให้เห็น มันชีวิตเราเปิดตัวต่อกันเป็นสามีภรรยาเราก็เปิดในความรักกันพิจารณาแล้วก็เปิดต่อรักกิงรักแทรรักเเทียมเพื่อนแท้เพื่อนเทียมมิดแท้มิดเทียมก็เปิดออกมาเราตัดสินใจได้ชีวิตเราก็เป็นการเจริญเสพเห็นความคิดมางเห็นความง่วงบ้างเห็นความปวดความเมื่อยบ้าง เห็นอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับกายกับ ใ, ใจมีสติเลื่อยไปจนตอบว่าอะไรเะไรอะไรคือลูกอะไรคือนามอะไรคือ ความโกรธเป็นความไม่โกรธมันก็ขยันตท่านั้นเห็นความหลงขยันเปลี่ยนความหลงเป็นความไม่หลงเป็นความทุกข์ขยนันเปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์อะก็กลัดเรียก ว, ว่าปฏิบัติแหละมันขยันของมันเองแต่ก่อนไม่ขยันนะก็ตามพอมีสติแล้วมันเกิดการขยนันด้จักกาลเทสะแล้วากกาลมันหลงก็เปลี่ยนเป็นความรู้ไปมันรู้จั ก, การาเทศะมันรู้จัก คนเองคนมีสติจะจัดการกับตัวเองเก่งที่สุดไม่เหมือนจัดการกับคนอื่นนะนักจัดรายการอัน น, นู้ดนันนี้เออมันก็เป็นโลกสมมติของโลกไปบางคนก็บรรยากาศตัวเองว่าดีว่าไม่ดีอันดีไม่ดีนะั่นมันยังเป็นโลกอยู่ถ้ามันอยู่ในตัวเราเอออันนี้เราถูกเป็นปรมัดการจัดการกับตัวเองมันเป็นปรมัด มันจรินะมันจริ ง, นะรงเช่นความโกรธเป็นความไม่จริงความไม่โกรธจริงกว่านี่ปัจฉมัตินะใครใครบอกไม่ได้ใครบอ ก, บอกปฏิจจตังปฏิจจตังเห็นเราเองนะความหลงนะ่ไม่เป็นธรรมความไม่หลงเป็นธรรมกว่าถูกต้องกว่านี่นี่เราปัจฉมัตินี่จัดการกับตัวเรานีผู้ปฏิบัติคือจัดไป จัดไปจัดไปจัดไปจะเรียบง่ายจะเรียบจนเป็นมิตรภาพมิตรภาพในชีวิตไม่เป็นอื่นแล้วครงเส้นคงวาเมื่อเดินเกิดแก่เจ็บตายไปทดลองนั่นกรณีสตินะไม่ใช่ไม่ใช่อย่างอื่นนะไม่ใช่ร อ, อคอยคอยไม่ใช่รอคอยไม่ใช่คํานึงคํานวณ ทำในสติมัดก็เป็นตัวปฏิบัติเลลงตัวไปเลยโลูก็ลงตัวมันลงโลูกมันลงตัวไปมันปฏิบัติมันทําไปในตัวตัวสติก็มีการกระทําไปในตัวเป็นกรรมไปในตัวเปลี่ยนกรรมร้าเป็นกรรมดีชนะกรรมไปในตัวหมดกรรมไปในตัวมันใช้อ้อนวอนขอร้องเป็นการกระทําของตัวเองน คนเจรสตินะด้วยปีมือเราด้วยมือของเราเองนะเจริญสตินะ <c oughs> ไม่เหมือนเราไปทำมืออื่นการทําืออื่นต้องมีเหตุกระใจหลายอย่ารอผู้รอคนรอหัวหน้ารอผู้หลักผู้ใหญ่รอเวลาวันนั่นวันนี้อันนี้ไม่ใช่นะเป็นตัวปฏิบัติที่เป็นกรรมที่อยู่กับมือที่การกระทําของเรา ตะว่กกรรมฐานวิชากรรมฐานรรฐา น, นักภาว น, นามมนมีอะไรที่จะเยี่ยมไปกว่าวิชากรรมฐานการศึกษาชีวิตที่มันมีผลลัพธ์มีบทเรียนมีประสบการณ์มากวิชากรรมฐานนี่หละมันหลงเห็นไหมมันลู่เห็นไหมโดนลู็โทนหลงมันเป็นยังไงลอคิด ที่มันักคิดกับตั้งใจคิดมันเป็นยังไงควรที่จะใช่ส่วนไหนเลือกอะเป็นชีวิตที่เลือกอะไการปฏิบัติธรรมเอาให้ถูกต้องที่สุดเป็นสัมมาทิฏฐิที่สุดสัมมาทิฏฐิในความคิดสัมมาทิฏฐิในการพูดสัมมาทิฏฐิในการประทบสัมมาทิฏฐิไปอยู่ในทุกคนทุกขแห่งในนิจฉาทิฏิ ถ้าทีใดมีนิสาชาติทิฏที่นั่นต้องเป็นสมาธิติฏิทัน ท, ทีเพราะผู้ปฏิบัติทรมันจะเป็นอย่านจากพระุทธเจ้าแสดงธรรมาจักกับประวัติธนรสุดเรื่องทางเรื่องทางสุดตรงเรื่องทางตันเรื่องทางทานโหดด่าคนฟังก็ปัญญาคนทัญญะฟังเห็นด้วยทำตามไปด้วยกันรูดแจ้ง ทางใจนั่งอยู่เฉยๆคนเดินไปเดินไปเนี่ยเดินไปสู่ความลู้หนีไปจากความหลงไกลไปเรื่อยๆนั่งอยู่แค่เดียวก็ไกลไปเรื่อยๆไกลความหลงไปเรื่อยๆไกลความโง่หลงงมงายไปเรื่อยๆควงเทศเนี่ยเดี๋ยวนั่งอยู่ตั้งเดวไกลไปไกลจากข้าศึกไกลจากกิเลสมันไกลไป ไต่ทางวัดพัฒนาวัฒนะรรเจริญขึ้นของชีวิตนะีแต่ว่ามันอยู่ต่ตาๆพอความไปความไปมันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นอเลยเป็นพระอริยะโดยไม่รู้สึกตัวใกลจากเข้าศึกตัวเป็นลุกศึกตัวแต่ก่อนความโกรธอยู่ใกล้ๆแตองความโกรธมันไม่ใกล้แล้วความทุก ข, ข์อยู่ใกล้ๆแต่เรื่องความไม่ทุกข์ ความทุกข์มันอยู่ใกล้ๆความไม่แเรืความไม่ทุกข์อยู่ใกล้กว่าความไม่ความทุกข์อยู่ไกลออกไปไม่ดจะให้ไปโกรธจะให้ไปทุกข์จะให้ไปหลงมันมันมันหมดความสามารถมันเป็นไปได้ยากแต่ก่อนนั้นยมันง่ายมันง่ายมันรักง่ายมันติดง่ายแเนี่มันมันมีคุภาพมันไม่ติด ทิ้งก้อนหินใส่ฝาผนางังมันไม่มีทางที่จะติดได้แต่ก้อนมันเหมือนดินเหนียวทิ้งใส่ฝาผนังก็ติดนะถ้าเห็นโลกโพดูยินเสีย ง, มงกมะโกได้ยินดินไหนลล้มันก็ไปไกล เหมือนคนมีฝีมือทำงานทำการเอาตรงนั้นใส่ตรงนี้เหมือนคนมีฝีมือทงอาหารให้เป็นรถยังไงจะให้เป็นยังไงอันนี้กระมวอนกันมีฝีมือใช้ชีวิตบริสุทธิ์แล้วก็ ไม่มีตีมาใช่ชีวิตพะ ล, ลุงพะลองยุ่งเหยื่อน่ะตลาอเวเปันจับขันตาเป็นของหนักแนี่มักลายเป็นของเบาเรีย ว, ว่ากายละหัวตาความเบากายคิดตแต่ละหัวตาความเบาคิดแต่กความหนักหนักพะ ล, ลุงพะลองตลาอเวเปันจับขันตาขันทางหน้าเป็นของหนักเลย เต็มโดยด้วยลูกด้วยเวทนาด้วยสัญญาด้วยสังขารด้วยวิญญาณหนักอึ้ <c oughs> <c oughs> อ่านทีเวทนามไม่พอไปซื้อเอาผมคืนเราสัญญาจะเก็บเอา ความเย็นดีความเย็นได้ควาเจ็บเอาความสุขความทุกข์ควเจ็บเอาทีก็พ้นเอาสังขารก็ขยันขยันปรุงเหลือเกินอยู่นิ่งไม่เป็นเหลืกนเป็นความวังวันเป็นเตลขยันตอนนี้ไม่เป็นมันไม่เนี่ยนมันไม่เพราว่าที่ไม่ปรุงนะมัน มีทุกอย่างภาวิที่ปรุงมันขาดแทนความไม่ปรุงมันอุดมสมบูรณ์ตัววิสังขารเราเห็นยีงไงนะปฏิบัติครับรู้จกักพอยกมือซายจังหวะรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวไปหนหล ง, ลงไปเอากลับมาหาคอามรู้ทันไม่รู้วิธีนี่เอาทางอื่นหัดเตียนเติอนจงกลมว่าให้รู้สึกไปรูส้สบายสบายรู้กปกตินะ ปิัติไปก็ทำเลยแค่นี้แหละควรูปของหลงลแค่นี้แหละถ้ามันเกิดอาการเห็นเห็นรูปเห็นนามเนี่ยว่าได้หลักฐานได้หลักฐานนี่มันเป็นส่วนรูปนี่มันเป็นส่วนนามได้หลักฐานเอาหลักฐานไปไปเฉลยไปเฉลยชีวิต ไม่ต้องมีโจรไม่ต้องมีโจรผี่เพราะไม่ถูกเป็นจนเลยเพราะเราได้หลักฐานแล้วบางคนมีหลักฐานประกันชีวิตเรามีหลักฐานประกันทุกเพื่อถึงมากถึงคนเพื่อจะต้องไม่อยู่ในภพชาติหลักฐานเห็นลูกเห็นนามเห็นลูก เห็นนาในรูกป เ, ปเมรยัยอะไรแย่ในนามเมรยัยอะไรแยะๆก็มอบให้ส่วนรูปส่วนนามมันไปบางคนละเรื่องกับตัวเราไป เ, เห็นเวทนาก็มันก็เป็นเรื่องของเวทนา <c oughs> อบางทีขอบคุณด้วยเวทนาเวทนาของรูปเวทนาของนามมันมเป็นสัญญาณภัย ที่ทำให้ลูกมันลอดเป็นสัญญาณภัยที่ทำให้นา ม, มันโลดไม่ใช่เอามาเป็นสิ่งที่ลงโทษนะเป็นความหิวน่ะความหิวน่ะมันเป็นสัญญาณภัยของลูกนะไม่ใช่เป็นเรื่องของทุกข์ของขิดใจไม่ใช่เป็นผู้ทุกข์ถ้ามันเกิดความหิวมันเป็นเรื่องดีนะมันเป็นเรื่องดี ชาติของเขาเป็นอย่างนั้นความหนาวสัญญาภัยธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นล้วก็ไม่ใช่เอามาเป็นทุกเบญนาก็เป็นทุกสัญญาก็เป็นทุกสังขารก็เป็นทุกวิญญาณก็เป็นทุกมันไม่ถูกเบญนาไม่เป็นทุกสัญญาไม่เป็นทุกสังขารไม่เป็นทุกวิญญาณไม่เป็นทุกเพราะมันใช่วิญญาณใช่อุนันมันเห็นแจ้มเั้ือนก็เราเห็นความหิว บางคนออกมาเป็นทุกข์ไม่ใช่เรื่องเป็นทุกข์เลยความเหนียวเป็นความร้อนความหนาวความปวดความมวยไม่ใช่เป็นเรื่องของความทุกข์แต่คนที่ไม่เคยรู้ไม่เคยศึกษาก็ออมาเป็นเรื่องทุกข์หนาวคนเป็นทุกข์ร้อนเป็นทุกข์เหนวเป็นทุกข์เก็บป่วยเป็นทุกข์ไม่ใช่อันนั้นเราเปลียดแล้วเราเปลียนแล้วความร้อนความหนาวไม่ใช่เป็นเรื่องทุกข์เป็น เป็นเอามาเป็นปัญญามันเกิดปัญญาสิ่งเหล่านี้หลยเอทนาก็เป็นปัญญาสัญญาก็เป็นปัญญาสังขารเป็นปัญญาวิญญาณเป็นปัญญาพระพุทธเจ้าทรงสังสอนสาษาโลกทั้งหลายเป็นส่วนมากภาษาโลกทั้งหลายก็ลู่เรื่องนี้เป็นส่วนมากเอวังโลังสาวเกยเลยทันที่เราสวดธรรมบัตรนะ พ, พระพุทธในพระาเจ้าย่อมชงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากในวังกจาจักถนัส พ, พระธโกโตสาวเก ศ, นศเนอนุาสาเสนอนุซาเสน่คือมากาสงสาวกทั้งหลายก็รู้อย่างนี้เป็นส่วนมากก็เลยเปีนเยนเอาเอาสิ่งที่ลงโทษหลอก มาเป็นปัญญาปัญญาพุทธะเป็นอย่างไรปัญญาปัญญาหลาไม่ใช่ปัญญาแบบโลกโลกเคยทุกเรื่องใดเอามาเป็นปัญญาเคยหลงเรื่องใดเอามาเป็นปัญญาสงในลูกลูกก็กลายเป็นปัญญาอาการต่างๆที่มีอยู่ในลูกนะล้วนแต่เป็นปัญญาแต่ก่อนอาการต่างๆที่อยู่ในลูกเป็นโทษของปุถุชน อาเรี่ยชดอาเรี ย, รยบุคคลไม่เป็นโทษเลยมาเป็นกัญญาเหมือนคนมีความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเอาไฟฟ้ามาใช้เป็นประโยชน์แต่คนไม่มีความรู้เอาไฟใช้ไฟฟ้ามาลงโทษหรือต า, ายไปไปเล่นไฟก็ต า, ายไป <c oughs> เอาลูกมาเป็นประโยชน์เหมือนกับพุ่งแพร่ไอขี้ข้า เป็นโทษละเวทนามาเป็นโทษเวทนาออกมาเป็นเครื่องมนุษย์ทำปัญญามาเป็นเครื่องมนุษย์ทำสังขารมาเป็นเครื่องมนุษย์ทำพ้นแล้วไม่ทําอะไรให้เราไม่ได้เห็นรูปโูกทุกโลกโลกโูกธรรมาชาติอาการในโลกมีอาการเยอะแยะในน้ำก็มีอาการเยอะแยะ กิเลสก็ม่อยู่ในลูกกิเลสก็ไม่อยู่ในนามที่ที่มันเป็นราการที่มันว่าเกาะมาใช่รูกใช่นามให้เป็นกิเลสลูกก็คือร่างกายนี่นามก็คือคิดใจกิเลสมันมาใช้นามให้ให้เป็นกิเลสให้นามเป็นกิเลสให้เข้าข้างกิเลสกิเลสมันมาใช้ลูกให้เกิดกิเลสเข้าข้างกิเลส รับใชก้กินเล็กรับใช้ความชั่วเอามารับให้เอามารับใาาบช้เพื่อเป็นทุกข์เพื่อเป็นสุขให้ลูกให้นามมารับใช้สุขมารับใช้ทุกข์พอมาเห็นลูปให้นามเราก็บอกเลยว่าต่อไปต่อต่เน่ไปต่อแต่เน่ไ ป, ไปจะไม่ใช่ลูกใช่นามให้ทําชั่วทิสชั่ว แต่ก่อนนี่มันใช่ลูกนามมันเอามาคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วเอามาทําให้เกิดทุกข์เกิดโทษแต่นี่ไปจะไม่ให้มีโทษอยากใช้ลูกใช่นามเป็นประโยชน์ามาเป็นเครื่องมือเป็นประโยชน์แคนนี้นะมันจึงว่าอยู่ในกํามือของเราพอเห็นแล้วมันก็ใช่เห็นแล้วใช่เห็นแต่ก่อนไม่เห็นจะใช่อะไรไม่เห็นนะอ๋ ใช่ไม่เป็นเลยใช่กายาก็ไม่เป็นใช่ใจก็ไม่เป็นเอาทีใช้ให้เป็นความลักความชามความสุขความทุกข์ความโลภ ค, ความโกรธ ค, ความหลงกิเลสตัณหาไปไปโ น, น่นนะก็ะเลยใช่ผิดประเภทใช่ผิดประเภทมันผิดศีลศีลของพอระเ้าวไม่ใช่ศีลสมาทานใช่รูกใช้นามเป็นไี่หด้เป็นพวกนี้ศีลอะไรเหั้นกับคนใช่อะไรผิดประเภทนะ ใช่ลดขิดประเภทใช่อะไรที่เป็นกฎตายเขาบังคับไว้เพื่อความเป็นธรรคุ้มครองคุ้มครองผู้ไม่สุบุรีห้ามสุบุรีในห้องน้ำห้ามสุบุรีในสาธารณะสุบุรี <c oughs> ผิดที่ก็ผิดกฎหมายเป็นโทษ ชีวิตเราคนกันความเป็นธรรมเน่มันโอ้ถ้าตั้งต้นจากตัวเราแล้วเผืเ่อ จ, จริงๆกลับไปเถอะกลับไปบ้านไปเป็นสามีที่ดีไปเป็นภรรยาที่ดีถ้ามีแล้วนะไปเป็นแม่ที่ดีไปเป็นเพื่อนที่ดีไปทำงานเนี่ยมันสำเร็จประโยชน์ไปดูแลไปช่วยคนที่ต้องการให้เราช่วยเยอะแยะอยาเห็นเราเป็นคนดีนะ เพื่อจะได้เพื่อนพาอาศ ส, สามีก็อยากเห็นภรรยาเป็นคนดีภรรยาก็อยากเห็นสามีเป็นคนดีจะดีจริงๆนะเพราะวมันต่างเก่าพ้นเพราว่าเกัาเพราะบบพอควรที่อเมริกแจ้งข้ออ่าน้องชายน้องชายเห็นที่สาวเห็นใบหน้าที่สาวก็เลยท่วงขึ้น พ่อพี่เนี่ยขาดบุญนะอ่ดูหน้าพี่เนี่ยเป็นคนขาดบุญแรงพี่บ้าพี่ไม่เคยไม่ค่อยอะไทําบุญเป็นชีวิตที่ขาดบุญมากๆไปเถอะพี่ไปทําบุญเดือดร้อนอะไรก็รโกว่าจริงพี่ก็ไม่มีโอกาสทําบุญเลยนอนก็ไม่ค่อยเฉลี่ยคิดมากคิดมากเฉลี่ยพ่อพ่อนคืนไปแล้ว ต่นก็ตื่นสายไม่ได้ใส่บาตรไม่ได้ทำอะไรพอตื่นขึ้นมาก็งานก็ทับเข้ามาจะไม่ทำก็ไม่ได้งานมันทับเข้ามามาบังคับให้ทำก็ทำไปเหน็ดเหนื่อยอ <c oughs> เหน็ดเหนื่อยมากพอถึงเวลาจะนอนก็นอนไม่หลับคิดเรื่องนูง่นเรื่องนี้มีแต่ปัญหาลูกก็เป็นปัญหาสามีก็เป็นปัญหา ทลาะกันอยู่เรื่อยๆทุกวันทุกเวลาจะแยกกันก็แยกไม่ออกจะแยกไม่ได้ทำพลาดจะแยกกันก็ไปไม่รอดแยกไม่ได้แล้วอยู่ด้วยกันก็มีใจสั่มจงเลียนจงจังอุ๊หะเหรอมาปฏิบาททาัตททิธรรมปฏิบัติสุขโตพอมาปฏิบัติก็เย็นลงขึ้นน่อยกลับไปว่าสามีเห็นภรรยาแปลเอ๊ะมันเลื่อน เกิดื่องอะไรขึ้นทำไมจึงเป็นคนลคนเอาไปมาม า, มาเลือกันทั้งลูกทั้งสาเนียร์พันยาเดี๋ยวนี้ก็พอในความสุขไม่ไม่ขาดบุญมันมาก่อนมีบุญจิตใจที่มีบุญเคยปุ่นจันเห็นหน้ากันก็เกิดบุ่นจีนใจชื่นใจมีไหมเห็นหน้ากันเป็นบุญขึ้นมาพอใจชื่นใจ ภรรยาห็น้าชาเน็เย็ยยนๆเนาชาเนีตหนน้าระยาก็เ ย, ย็นเราเพื่อนเห็นกันก็เ ย, ย็นเรมันชื่อจัดมันอุ่นจัดถ้าเราก็ให้ความอุ่นจัดแก่ทุกสิ่งทุกอย่างไปช่วยแล้วเราก็คิดอะไรก็เป็นหน้าที่อย่างนั้นทาพระเจ้าก็สอนอย่างนั้น จะระถาบที่คเวจารีกันคลงชนะให้ตายยะพระงคชนะสุขายะโลกาโนกรต า, ตายะให้ไปให้ไปอิสุทั้งหลายไปไปช่วยเพื่อประโยชน์เพื่อเพื่อคุณแก่นคนหนู่มากเพื่อประโยชน์ต่อโลกอ่าบอกให้ไปแล้วก็ไปจริงๆโนโนไปโนดไวเนี่ไปไปช่วยกันการดนินการกฏิบัติทำไง มันไม่ใช่เป็นประโยชน์ตนอย่างเดียวมันเป็นประโยชน์ต่อโลกด้วยประโยชน์ตนประโยชน์ธาตุประโยชน์ะะ ต, นะะต่อโลกประโยชน์ต่อพระจชกรพรรดาท า, างการมาปฏิบัติธรรมนะมันมีกิ่งมันเป็นโกะเป็นกรรมมันทําได้ความโลดสุดตัวพลิกมือขึ้นสิบสี่จังหวะ พอได้ความรู้สิบสี่ครั้งํำกลับไปทำมาเดินจงกรมชั่วโมงหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าละวินาทีเก้าหนึ่งวินาทีหนึ่งลูเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งก็ดีปร่ชาตขาไม่ชาเกินไปจะไว้ก็ไม่ไวเกินไปถ้าชั่วโมงหนึ่งถ้าลูกทุกเก้าก็สามพันหกอยู่มันก็เป็นกรอบเป็นกำขึ้นมา มื่มันรูปถึงจังหวงละสามพันครั้งมันก็ต้องมีมากแน่นอนความหลงก็จะน้อยลงแน่นอนเพราะคนารูปกับความห ล, ลงมันตรงกันข้ามเหมือนกับความมืดกับแสงสว่างดวงอาอทิตย์พ่นทองฟ้าพ่นเมฆเป็นเวลานี้แสงเงินกําลังเกิดขึ้นความมืดก็มีโอกาสหมดไปแล้วแสงเงินน้อยแต่ก็กําจัดความมืดได้น้อยนอย พ้แสงทองเกิดขึ้นก็กําจัดความมืดได้มากถ้าเกิดดวงอาทิตย์ขึ้นว่าก็กําจัดความมืดได้มากความรู้สึกตัวในกอเหมือนกันแต่รู้สิบสี่จังหวัดก็รู้สิบสี่ครั้งอ่าสิบสี่ครั้งสิบสีวินาทีก็ได้ความรู้สึิบสี่ครั้งมันก็เป็นกอบเป็นกรรมแบบนี้นะไม่ใช่ฝ่าไม่ใช่เพิ่ขวัญ น, นะที่เร า, าทำไปเนะีไม่ใช่เป็นเรื่องเพิ่มวัน เรื่องจริงเราทําจริงเราสัมผัสได้จริงอ้าเวลามันหลงเราก็เปลี่ยนควาหลงเป็นควารู้ได้จริงจริงบางทีมันอาจจะโกรธน ะ, จจะเปลี่ยนของโกรธได้จริงจริงในแพ่ตาเดียวพระล้านสานก็ทําแบบนี้มันมันเป็นภาคปฏิบัติมันเป็นภาคที่มีเหตุมีผลทันที มีเหตุมีปัจจัยทันทีเก้อเหตุผลก็เกิดทันทีมีผลก็มีเหตุที่ทําให้เกิดขึ้นมาเราเขารู้ได้ตอบได้เนี่ยก็ทำสิ่งนี้มันจึงมีสิ่งนี้มั่นใจแล้วบะเฉริญเสด็จมั่นใจเอาไปเฉลยกับอะไรก็ได้ไปเข้าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตัวเฉลยเป็นกุญแจเอกเปิดได้ทุกที่อนะ ีเราเรื่องลูกเรื่อง น, อง า, องนามเรื่องกายเรื่องใจความรู้สึกตัว แทนของชีวิตเราทุกคนที่พูดพูดกับท่านอยู่ในตัวท่านเป็นตัวท่านพูดเองดวงตาก็ท่านลืนขึ้นมาเองทำพูดะไม่ใช่เล่าีอย่าง สักตะวาพุทธลัตธนาสักตะวาธมลัตนัสักตะวาสังฆลัทธนัสดชื่นช่วยคธรรมหาเองเองเรนี้ต้องต้องให้มีพอสมควรไม่ใช่แต่ีแต่คนรู้เป็นพยาบาลเป็นนายแพทย์ให้ทำสดชื่นไปช่วยคน เห็นหน้าหมอ่ยโอ้อูุใจวันหนึ่งหลวงพ่อยปทำพันฟันไม่ค่อยติดหมอเขาบอกว่ามา <c oughs> ตรวตัวเจโอ้ฟันหลวงพ่อรักเสร็จต้องขูดเจ็บเจ็บหน่อยนะหลวงพ่อหลวงพ่อบอกไม่เป็นไรตอนเจ็บใน่ทนได้หลวงถ้าเจ็บมากก็บอกนะจะใส่ยาชา เราก็ทําก็ทำไปถ้าเจ็บก็ถ้าเจ็บก็กบกยกเนี่ยวดนะล้วก็อแล้วก็อวกนอ น, นให้ก็แล้วก็ไม่ยกเนี่ยวดเจ็บอยู่แต่ว่าไม่ยกเนี่ยวดเลยก็รู้ว่าทํามันต้องเจ็บอนะพ่อก็ทําให้สักชั่วโมงนอนเอื้อมหลับไปหลับไปกับควาเจ็บก็ได้นะใช่ไหมแล้วถ้าเจ็บกนหลับไปได้นะพ่ อ, อพก็ว่าเสร็จแล้แล้วก็ แล้วพ่อก็ม่วนปากเข็บปากเข็ดเลยเรียกว่าลูกออกมาเป็นไงแล้วพ่อแล้วพ่อเกิดหนักไปเมื่อกี้เขาดีจังนะแล้วก็ผมก็รอดทั้งห้องเลยพ่อหมอฟันะทำไมแล้วพ่อจึงหลับแพ่อไม่เจ็บหรอเจ็บก็หลับได้หมอเนี่ยฝีมือดีมากทําดีมากแล้วหมอรอดกันทั้งห้องเลยพ่อไปบ้านพ่อพ่อครับหมอฟัน อะไรจะไปทุกข์หรือเจ็บก็ทุกข์เลไม่ทุกข์ก็ได้เจ็บเนาะได้หเอได้เเจ็บไปทุกข์ก็ได้ไหแลร์ัต